บทที่หกสิบสีทศพรเมื่อกรานเข้าไปนั่งทางเบื้องหลังของพระสิงหนแล้วสมพันธ์วัยส3สาก็เพ่งพิจารณาดูสิ่งที่ฝังอยู่ในสำนึกสามัญของท่านมานานเกือบ40ปีเพราะโยมยายเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสมัยที่ท่านอายุได้หกขวบตอนนั้นท่านไม่เชื่อเลยสักนิดทั้งยังเถียงคอเป็นเอ็นว่ายาย เรื่องพระเวสสันดรโกหกทว่าขณะนี้ท่านไดมานั่งอยู่ต่อหน้าหลักฐานเป็นหลักฐานที่สวยงามที่สุดทั้งกลิ่นก็หอมตลบอบอวนจนท่านกำหนดได้กลิ่นนอเพื่อมีให้จิตใจว่าวุ่นต่อรูปและกลิ่นที่จากสุขและนาสิกได้สัมผัสโชคดีที่เราละกรรมคุณได้แล้วไม่เช่นนั้นคงยุ่งแน่ท่านคิด ขณะพิจารณานารีผลตรงเบื้องหน้าคอยเพ่งพิษตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงปลายเท้าทุกสัสดส่วนงดงามหาที่ติไม่ได้ผมสีทองยาวลงมาเคลียร์ไหลตาดำเป็นสีทองตาขาวเป็นสีฟ้ายืนเลิ่อมตาแป้วเหมือนหญิงสาวกำลังยืนแต่แท้ที่จริงนั้นมิได้ยืนหากแขวนอยู่ เพราะที่ศีรษะมีขั้วคล้ายขั้วมังคุดยึดไว้และเท้าก็ไม่ได้สัมผัสดินผิวสีทองเหมือนผิวมะปรางสุกคิ้วต่อคอปล้องคือคิ้วโกงทำมุม45องศาลงมารับกับสันจมูกเหมือนคิ้วพระพุทธรูปคอระหงมีปล้องสามปล้องไม่มีหายปลาละอย่างมนุษย์แขนงามกลมกลึง แนบลำตัวนิ้วมือเรียวงามเหมือนลำเทียนไม่มีข้อนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วหัวแม่มือยาวครึ่งหนึ่งของนิ้วทั้งสี่ขอให้ท่านใช้วรยานดูด้วยวรยานพระสิงหหนพูดขึ้นโดยไม่ได้หันมามองภิกษุวัยส3สามจึงกำหนดเห็นหนอ แล้วดูใหม่อีกครั้งครั้งนี้ท่านเห็นด้วยปัญญาว่านารีผลที่ท่านกำลังเพ่งพิจารณาอยู่นี้แท้จริงเป็นผลไม้ไม่ใช่มนุษย์เพราะไม่มีกระดูกแม้โครงสร้างภายในไม่ว่าจะเป็นปอดตับหัวใจจะเหมือนกับมนุษย์ทุกประการหากก็ไม่มีกระดูทั้งน้ำหนักเบาจึงแขวนอยู่ได้ที่คั่ว โดยไม่ล่นช่วงขาเรียวงามไม่มีหัวเขา่าเท้าอูไม่มีเส้นเอ็นปูดโปนเหมือนอย่างมนุษย์นิ้วเท้ามีลักษณะเดียวกับนิ้วมือกล่าวคือนิ้วชี้ถึงนิ้วก้อยยาวเสมอกันส่วนนิ้วเหวี่ยแม่เท้ายาวครึ่งหนึ่งของนิ้วทั้งสี่มีหน้าเล่าพวกฤาษีฉีพรพยจึงได้ใจแตก ่านารีผลงามหยาดเยิ้มหยดย้อยออกอย่างนี้ท่านพระครูคิดนึกอยากจะบีบแขนมันดูว่านิ่มเหมือนลูกโปง่งหรือไม่หากก็ไม่กล้าด้วยเกรงใจพระสิงหหนพลนก็นึกขึ้นได้ว่าน่าจะมีพยานรู้เห็นจะได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลให้สมเด็จพระสังฆราชวัดราชบอพิศทรงทราบจึงคลานออกไปนั่งต่อหน้าพระลังกา พูดว่ากระผมขออนุญาตให้โยมที่มาด้วยเข้ามาดูได้ไหมครับจะได้เป็นพยานเวลาที่ผมนำไปเล่าให้ญาติโยมฟังท่านหมายถึงอาจารย์เนื่องที่รออยู่หน้าถ้าได้แต่ห้ามแตะต้องให้ดูเฉยเฉยพระในถ้าตั้งเงื่อนไขครับกระผมจะบอกเขาว่าดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียเมียจะดา่า สำนวนไทยเขาว่าอย่างนี้ครับภิกษุอคันตุ ก, กะอ้างสำนวนไทยท่านนิชชังมีอารมณ์ขันนะบังเอิญสำนวนไทยของท่านใช้กับผมไม่ได้เพราะผมไม่เคยมีเมียท่านพระครูรีบออกตัวกระผมไม่เคยมีเหมือนกัน ไม่เหมือนพระญี่ปุ่นกับพระธิเบตนะครับท่านมาประชุมยังพาเมียมาด้วยก็ท่านเป็นพระมหายานเทราวาสของเราอย่าว่าแต่มีเมียเลยถูกต้องมาตุกคามยังห้ามพระในถ้ำอ้างสิกขาบทก็มาตุคามเป็นฆ่าศึกต่อพรหมจันทร์ในเมื่อเราตั้งใจประพฤติพรหมจันทร์ก็ต้องละสิ่งเหล่านี้กระผมไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดพระญี่ปุ่นกับพระธิเบต ท่านถึงไม่ปฏิบัติตามพระวินัยเพราะเขามีคำภีที่ต่างไปจากของเทราวาทแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระธิเบตและพระญี่บุนทุกรูปจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดหรอกนะเพราะมหายานเองก็ยังแบ่งเป็นนิกายย่อยออกไปอีกบางนิกายพระมีเมียไม่ได้อย่างในทิเบตรพระพุทธศาสนาแบ่งออกเป็นห้านิกายสีนิกายพระมีเมียไม่ได้ อีกหนึ่งนิกายมีได้และถูกสีนิกายตำหนิติดเตียนเพราะนอกจากจะไม่ประพฤติประมจาจันแล้วยังละเมิดสีนข้อสามละเมิดอย่างไรหรือครับละเมิดตรงที่บางรูปไม่ได้มีเมียคนเดียวแต่มีสองบ้างสามบ้างบางทีก็มากกว่านั้นทำให้เกิดการหึงหวงแย่งชิงดูสับสนอลหม่านไปหมด ส่วนในญี่ปุ่นนิกายที่พระมีเมียได้มีสถิติการอย่าร้างสูงกว่าคฤหัสถ์เสอีกเอาเธอไม่ต้องคิดมากจะไปเรียกใครมาดูก็รีบไปประเดี๋ยวรถเขาจะคอยนานท่านพระครูจึงไหว้ท่านครั้งหนึ่งแล้วลุกขึ้นออกมาหน้าถ้ำอาจารย์เนื่องเห็นก็ถามว่าท่านปลดทุกเรียบร้อยแล้วหรือเจ้าคะงั้นก็รีบลงจากเขากันเถอะอาตามา ย, ยังไม่ได้ปลดทุกหรอกโยม เพอเอินไปเจอของดีเลยหายปวดลืมไปเลย ว, ว่ากำลังปวดปัสสาวะจะให้โยมเข้าไปดูแล้วห้ามเล่าให้พว ก, กลล่างฟังนะเอาไว้ไปกราบทูลสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันท่านไปเจออะไรหรือเจ้าคะถามอย่างตื่นเต้นเดินตามมาเดี๋ยวก็รู้อาจารย์วัยเจ็สจึงเดินตามภิกษุวัยสสาเข้าไปในถ้ำพบพระสิงห์หนังอยู่จึงกราบท่านดูนั่น ผู้หญิงที่ยืนอยู่เบื้องหลังท่านคือนารีผลที่กล่าวถึงในเรื่องมหาเวสสันดอนชาดกคลานเข้าไปดูใกล้ๆอาตมาขออนุญาตจากท่านให้แล้วอาจารย์เนื่องจึงคลานเข้าไปดูอย่างใกล้ๆด้วยความตื่นเต้นยินดีเป็นล้นพ้นท่านพระครูถือโอกาสนั้นนั่งสนทนากับพระสิงห์หนกระผมใคร่ขอความกรุณาให้ท่านช่วยเล่าประวัติ ความเป็นมาของนารีผลโยมยายเคยเล่าให้กระผมฟังตั้แต่ผมเป็นเด็กแต่ตอนนั้นกระผมไม่เชื่อคิดว่าโยมยายโกหกแล้วตอนนี้เชื่อหรือยังเห็นต้องเชื่อแล้วหลักขอรับเพราะหลักฐานมันมันมดตัวปฏิเสธไม่ได้ท่านใช้สำนวนสารจากนั้นจึงเล่าเรื่องให้พระสิงหลนฟังครั้นเล่าจบพระในถ้ำก็พูดขึ้นว่า เรื่องก็เหมือนกับที่โยมยายของท่านเล่าให้ฟังนั่นแหละสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่ามัคคลรีผลบ้างนารีผลบ้างแต่ที่ถูกต้องเป็นมักคารีผลเพราะเป็นช่องทางของกรรมคุณทั้งห้ามัรคลรีผลไม่ได้เป็นต้นไม้ธรรมชาติไม่ได้ปลูกโดยวิธีเพรา ะ, มะเมล็ดตอนกิ่งแต่เป็นต้นไม้ที่พระอินทร์แนรมิตรขึ้นมาพระองค์ทรงทราบว่า พระเวสสันดรต้องถูกในประเทศให้มาอยู่ที่เขาวงกฏจึงเนรมิตบรรณาลาขึ้นมาหนึ่งหลังและมัคลีผล16ต้นบัดนี้บรรณาลาและมัคลีผลก็ยังอยู่ที่ป่าหิ ม, มพานต์นับอายุได้สาม0 0ื่นปีแล้วทำไมตั้งสาม0 0ื่นปีล่ะครับพระพุทธศาสนาเพิ่งอายุได้ 2,500 กว่าปีเท่านั้นอย่าลืมว่าพระเวสสันดร ซึ่งเป็นพระชาติสุดท้ายในทศชาติละสังขารจากโลกมนุษย์แล้วพระองค์ได้ไปอุบัติอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตวันเวลาของสวรรค์ชั้นดุสิตกับโลกมนุษย์ไม่เท่ากันหนึ่งวันหนึ่งคืนของสวรรค์ชั้นดุสิตเท่ากับกี่ปีของโลกมนุษย์เจ้าโอวาทวัดป่ามะม่วงถูกถาม สี่ร้อยปีครับถ้าชั้นดาวดึงก็ร้อยปีชั้นนิมานรดีแปดร้อยปีตอบเกินคำถามเห็นพระในถ้ำนั่งนิ่งจึงถามท่านว่าแล้วบรรณาสาลากับต้นานารีผลจะมีอยู่ตลอดไปไหมครับมีอะไรบ้างจะอยู่ตลอดไปเยาว่าแต่ในโลกมนุษย์เลย เทวโลกหรือพรมโลกก็ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนๆเมื่อพระศาสนาของพระสมณโคโดมอายุครบ 5,000 ันปีบราสาลากับต้นมัคคีผลก็หายไปแม้รูปหนึ่งจะเรียกว่ามัคคีผลขณะอีกรูปเรียกนารีผลหากพิสุจ์ทั้งสองรูปก็คุยกันรู้เรื่อง เพราะต่างหมายถึงสิ่งเดียวกันคือมักครีผลพระอินทร์ทรงเนรมิตต้นนารีผลด้วยเหตุผลอันใดครับภิกษุอคันตุ ก, กะใคร่รู้เพื่อจะช่วยให้พระเวสสันดรโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติธรรมได้โดยปราศ จ, จากความกังวลทั้งนี้เพราะในป่าหิ ม, มพานต์มีฤาษีชีปไายใจลามกสกปรกอยู่มากคนเหล่านี้ได้ชานสมาบัติ มีอายุเป็นพันปีแต่ก็ยังละกามคุณไม่ได้เมื่อพระนางมัสีออกป่าเพื่อหาผลไม้มาถวายพระสวามีและพระอรรถ ธ, ธิดาก็จะถูกพวกฤาษีเหล่านี้ปลุกปล้าทำลามกอนาจารพระอินจึงต้องเนรมิตต้นมะลีผลขึ้นมาไว้ต้นมะลีผลจะออกดอกต่อเมื่อพระนางมัสีออกหาผลไม้พวกฤาษีทีไพร ก็จะมารออยู่ใต้ต้นพอผลของมันหล่นก็เก็บเอาไปเสพสังวาสพวกที่เหาะได้ก็เหาะขึ้นไปปริกที่คั่วอุ้มไปหลังจากเสพสังวาสแล้วชาญก็จะเสื่อมถอยต้องมานั่งบำเพ็ญกันใหม่ท่านเห็นต้นมันหรือเปล่าครับเห็นสิมัคลีผลต้นสูงใหญ่ใบเหมือนมะม่วงแต่ขนาดใหญ่เท่าใบกล้วย ดอกใครดอกรวยไม้ดอกหนึ่งมีห้าผลแต่ละผลเป็นหญิงสาวสวยงามอย่างที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ปัจจุบันนารีผลก็ไม่ออกดอกแล้วสิครับเพราะนางมัสสีไม่ได้ออกไปหาผลไม้แล้วออกสิหลังจากไม่มีนางมัสสีแล้วมัคลีผลก็ออกดอกออกผลทุกวันหกโมงเช้าบานหกโมงเย็นหุบสามวันมีฤดู เวันล่นจากขั่วห้าเดือนก็เหี่ยวและหมดสภาพเพราะไม่มีกระดูกแสดงว่าห้อยอยู่ที่นี่ท่านเพิ่งได้มาใช่ไหมครับถูกแล้วผมเห็นตกอยู่ใต้ต้นเลยเก็บเอามาดูเล่นท่านไปป่าหิมะพานมาป่าหิมพานอยู่ที่ไหนครับอยู่เลยเขาหิมลาลัยไปส6หกยอดป่าหิมพานเป็นแดนมหัศจรรย์จะว่าเป็นเมืองมนุษย์ก็ไม่ใช่ เป็นแดนเทพก็ไม่เจิงมันกึ่งกึ่งระหว่างเมืองมนุษย์กับแดนเทพที่นั่นมีสัตว์หิมะพานเต็มไปหมดทั้งกินนอนกินนารีนอนรสิงและพยากรุตเป็นต้นถ้าท่านต้องการไปผมจะเป็นมักคุเทศให้ขอพระคุณครับกระผมอยากทราบว่าไปอย่างไรการไปป่าหิมะพานไปได้สามวิธีคือเหาะไป วิธีนี้ต้องสำเร็จฌานสมาบัติด้วยการเจริญวายโยกสินวิธีที่สองก็คืออมปลอดและวิธีที่สามไปด้วยบุญวาสนาคือเดินทางผ่านเขาช่องแคบถ้าตัวลอดเข้าไปได้ก็จะถึงป่าหิมะพานซึ่งมีหิมะปกคลุมท่านจะไปด้วยวิธีใดละ่ะวิธีเดียวกับท่านแหละครับท่านไปด้วยวิธีใดกระผมก็ต้องใช้วิธีเดียวกัน ถึงจะไปด้วยกันได้แต่ว่าท่านจะไปอีกเมื่อไหร่ล่ะครับท่านพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีเอาอย่างนี้ผมจะบอกวิธีให้ถ้าท่านต้องการไปจริงๆให้มาพบผมที่นี่แล้วเราจะไปด้วยกันผมจะได้ให้ของสิ่งหนึ่งแก่ท่านเมื่อท่านมาพบผมให้นาสิ่งนี้มาด้วยท่านหยิบวัตถุชิ้นหนึ่งออกมาจากกระเป๋าอังสะ ส่งให้พระครูสมพานวัดป่ามะม่วงรับมาใส่ ย, ย่ามไว้แล้วถามอีกว่าท่านครับโยมยายเคยเล่าให้กระผมฟังว่าเมื่อพระนางผุดสดจะจุติจากสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อมาเป็นพระมารดาของพระเวสสันดรโพธิสัต พระนางได้พรจากพระอินสิบประการที่เรียกว่าทศพรกระผมอยากทราบว่าในคำพีของประเทศศรีลังกาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หรือไม่ท่านต้องการตรวจสอบว่ามีเหมือนกันที่กล่าวไว้ในคำพีของประเทศสยามหรือไม่อย่างนั้นใช่ไหมคงทำนองนั้นแหละครับผมว่าไม่น่าจะต่างกันนะเพราะประเทศสยามรับพุทธศาสนา ลทัทธิลังกาวงไปจากสีลังกาในเวลาต่อมาสีลังกาก็รับพระพุทธศาสนานิกายสยามวงเข้ามาเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่าทศพรมีอะไรบ้างและท่านลองนำไปเทียบเคียงที่กล่าวไว้ในคำภีของประเทศสยามอย่างนี้ดีไหมดีครับมีอะไรบ้างครับพระในถา้าจึงสาธยายว่า พรข้อที่1พระนางพุทษดีขอให้ได้ไปบังเกิดในปราสาทของพระเจ้าสีวีราชข้อ2ขอให้ดวงเนตรของพระนางดำเหมือนตาลูกเนื้อสายข้อ3ขอให้ขนคิ้วของพระนางเขียวงามขำดังขนส้อยขอนกยูงข้อสขอให้พระนางได้นามว่าพุทษดีดังเดิมข้อห้า ขอให้พระนางมีพระโอรสที่ทรงเกียรติยศยิ่งกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในสากลโลกข้อ6เมื่อตั้งคันขออย่าให้คันปรากฏออกมาเหมือนสตรีทั่วไปให้คันดูงาเหมือนคันธนูข้อ7เมื่อทรงคันอย่าให้ยุคนถันดำและเมื่อโอรสเสวยก็อย่าให้คล้อยเคลื่อนหย่อนยาน ให้แต่งตึงดังดอกบัวหลวงงามวิเศษข้อ8ขอให้เส้นเกษาดำครับสลับสรวยบริสุทธิ์ประดุษสีปีกแมลงค่อมทองข้ อ, อ, ขอ9ขอให้ผิวพันบริสุทธิ์ผุดพองดังทองคำธรรมชาติสกลกายใสยสะอาดผุดพองแผ่หมดราคีข้อสุดท้ายขอให้ได้ปลดปล่อยชีวิต คนทุจริตต้องโทษประหารให้พ้นภัยทั้งหมดนี้คือพรจิตประการที่พระนางพุทสดีทูนขอต่อพระอินทร์เหมือนกับในคำมภีร์ของท่านไหมเหมือนกันครับแสดงว่าคำมภีร์ของพระพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาทเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดขอบพระคุณมากครับกระผมเห็นจะต้องกราบลาโยมไปกันเถอะ ท่านเรียนอาจารย์เนื่องผู้ซึ่งนั่งดูนารีผลตาไม่กระพริบอาจารย์วัยเจสครานออกมาพร้อมกับพร่ำรำพันว่าสวยเหลือเกินเจ้าค่ะขนาดดิฉันเป็นผู้หญิงแถมอายุตั้งเจสยังอดคลั่งไครไหลหลงเสียไม่ได้ถ้าพวกผู้ชายมาเห็นจะขนาดไหนนอกจากสวยแล้วยังร้องรำทำเพลงได้ด้วยนะพระเนธธรําพูด แต่อาจารย์เนื่องไม่เข้าใจภาษาสิงหนจึงไม่รู้ว่าท่านพูดว่าอะไรท่านพระครูจึงต้องรับหน้าที่เป็นล่ามท่านบอกว่านอกจากสวยแล้วยังร้องราทำเพลงได้อีกด้วยแล้วพูดกับพระสิงหนว่าถ้าเช่นนั้นก็ครบเลยนะครับเป็นที่ตั้งของกามคุณห้าครบทวนทั้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสนั่นสิ พวกฤาษีชีพรายจึงได้ไปไหนไม่รอดอุสาหบำเพนตบะจนได้ฌานแต่พอไม่ยุ่งเกี่ยวกับมรคลผลฌานก็เลยถอยกรรมคุณนี่เป็นอุปสรรคสำคัญของการบรรลุมรคผลเชียนะอย่าว่าแต่พวกฤาษีชีพรายเลยขนาดพระสงฆ์ผู้ประพฤติประมจันถ้าจิตใจไม่แน่แน่มั่นคงก็ยังพลาดท่าเสียทีได้พระที่จะเหมือนอย่างผม อย่างท่านหาได้ยากนี่ผมพูดไปตามข้อเท็จจริงนะไม่ใช่จะมาสารเสริญเยินยอกันเองข้อนั้นกระผมเข้าใจดีท่านครับกระผมเห็นจะต้องการาบปลาประเดี๋ยวพักพวกเขาจะคอยนานขอบพระคุณท่านมากที่ให้กระผมได้มีโอกาสเห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่น้อยคนนักจะได้เห็นขอบพระคุณเหลือเกิน ท่านก้มลงกราบเบญจางคปดิษฐ์สาครั้งไม่ต้องขอบคุณผมหรอกเพราะผมไม่ได้บันดาลให้ท่านมาเห็นแต่เป็นบุญวัสนาของท่านเองเรื่องของบุญวัสนาต้องทำเองสร้างเองให้กันไม่ได้อย่าลืมนะถ้าต้องการไปเที่ยวหิ ม, มาพานต์ให้มาพบผมที่นี่แล้วของที่ผมให้โปรดรักษาไว้ให้ดีและนำติดตัวมาด้วย รีบไปเถอะพวกเขาคอยนานแล้วขณะเดินลงมาด้วยกันท่านพระครูกำชับอาจารย์เนื่องไม่ให้เล่าเรื่องพบนารีผลให้คนในรถฟังประเดี๋ยวพวกเขาจะพากันแห่ขึ้นไปดูเป็นการลบกวนพระในถ้ำอาจารย์เนื่องรับปากว่าจะเก็บไว้เป็นความลับเมื่อมาถึงรถพระครูบุญมีก็ต่อว่าต่อขานทันที ท่านพระครูหายไปนานเหลือเกินท่านทำให้คนอื่นเขาคอยนานนี่ถ้าไม่ติดว่าอาจารย์เนื่องยังไม่มาผมทิ้งท่านแล้วผมขอโทษเอาเถอะผมรับรองว่าจะทำเวลาให้ไปทันประชุมท่านสั่งให้รถออกได้เมื่อท่านมาพูดอย่างนี้พระครูบุญมีก็ต้องยอมจำนนที่ยอมจำนนเพราะเห็นฝีมือของพิจุรูปนี้มาแล้ว